คุททวีสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสัรสนีสนธนาขอต้อนรับปี2559กันด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในวันนี้ท่านไพบูรพระมหาเผบูรอภิปุโ น, โนพ่วงโดยการหลักสูตรหลีกเร้นวัดป่าดอนหายโศอุดอนธานีท่านได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจะมาบอกวิธีการ อวยพรปีใหม่ให้สอดคล้องกับคำสอนของราศาสดาเราควรจะอวยพรกันอย่างไรนะคะถึงจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็เดี๋ยวค่อยฟังกันตอนนี้เรามาร่วมกันปฏิบัติธรรมรับปีใหม่หลังจากที่ไปพบกับท่านเพบูลแล้วนะคะนมอส ก, การกันท่านคะเริญปอนเนมันขึ้นปีใหม่นี้ก็มาตั้งสติระลึกถึงพระพระุทธเจ้ากันสักนิดหนึ่งโดยให้เรามีสติ ละหมายใจใช้ละหมายใจเป็นคเครื่องมือในการระลึกถึงคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ก่อนที่จะมาสอนเลยก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ได้นึกถึงธรรมะหมวดหนึ่งที่จะเป็นที่ทํำให้สัตว์โลกนี้พ้นจากความทุกข์ไปสุนิพานได้ก็คือเรื่องของสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานอย่างที่เรามาระลึกถึงลมใจในตอนที่เรามาเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเห็นกายในกาย หรือว่าการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่ผ่านเข้าออกการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสที่มันมากระทบอยู่ด้านในโพรงจ ม, มูกก็นี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกคือเป็นเวทนาเรียกเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหรือว่าที่เรามาสังเกตเห็นลมหายใจผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจจะเป็นสัมผัส ข, ของมันรับรู้ถึงความที่มันอุ่นบ้างมันเย็นบ้างผู้ที่เข้าไปรู้นั่นก็คือจิตจิตมาเห็นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้จิตเป็นการตั้งสติขึ้น ที่ว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตระหว่างที่เรามามีสติในลมหายใจนี้อาจจะมีเสียงอื่นๆผ่ใดผ่านเข้ามารับรู้ถึงความรู้สึกตามแขนขาต่างๆบ้างความคิดนึกที่อยู่ในใจแต่เหล่านี้ถ้าเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่ใช่ตนเป็นก่อนที่มันมีสิ่งอื่นเป็นเหตุปัจจัยมาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นอนิจจังนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมเห็นธรรมะ ที่เป็นไปตามเนื้อผ้าของมันในสิ่งที่มันมากระทบนั้นเ น, นียชื่อว่าเป็นบุญเห็นธรรมในธรรมเราตั้งสติขึ้นอย่างนี้ในเวลาสิ่งดีๆใดๆที่มันผ่านเข้ามาอันนี้ดีแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีใดๆที่มันผ่านเข้ามาอันนี้ก็จะดีแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ดีๆนั้นคือสติที่อยู่ในใจของเราสติเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเกราะที่จะป้องกันรักษาจิตของเราให้มันตั้งมั่นมั่นคงอยู่ได้ ภาษาที่เป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามมีมากระทบแน่นอนแตนะ่ปีเก่าไปปีใหม่มาเรื่องสุขดีๆก็มีเรื่องที่มันอาจจะกระทบกระทั่งกระเตือนใจ ท, ที่มันจะมากระทบแต่ก็มีทั้งนั้นสิ่งที่มากระทบนั้นจะทําให้เกิดเวทนาขึ้นในจิตในเวทนาที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเนี่ยสามารถที่จะทําให้จิตนั้นขึ้นขึ้ น, นลงๆไปได้ถ้าจิตนั้นไม่มีสติรักษาแต่ถ้าจิตของเรามีสติอย่างที่เราตั้งไว้อย่างนี้ สุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่มากระทบจะทําให้จิตนั้นไม่ไวั่นวายขึ้นลงไปตามสุขไม่วันว่นวายขึ้นลงไปตามทุกข์จิตเราจะมีความดีคือสติเนี่ยคุ้มกันอยู่จิตที่มีความดีคือสติคุคค้มกันอยู่นี้กุศลธรรมเพิ่มขึ้นกุศลธรรมลดลงลดลงเวลาที่กุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งเราป้องกันกุศลธรรมไม่ให้มันเข้ามาได้กุศลธรรมในใจของเราลดลงไปลดลงไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตของเราจะมีความสบายใจ มีความอิมเมอรบใจความสบายใจความอิเมอรบใจนี้เป็นลักษณะของความสบายใจความอิมเมอรบใจเป็นผลของการที่เรามีกุศลธรรมเพิ่มมีอกุศลธรรมลดลงไปเวลาที่มีความอิเมอรบใจความสบายใจอยู่ในจิตของเราก็จะมีผัสสะเกิดขึ้นเหมือนกันและเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นในใจเป็นเวทนาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นเวทนาที่จะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจิประจันจิตที่มีมสติ ตั้งไว้อย่างที่ธรรูุฟังทั้งหลายทําอยู่อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเวทนาที่เป็นความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเป็นเวทนาเป็นความสุขที่นุ่มอยู่ในภายในแต่จะเหนือกว่าไอเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่มาจากภายนอกจิตใจที่เป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะของจิตใจที่อยู่เหนือจากการควบคุมของเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์มาจากภายนอกต่างๆได้โดยการที่เราตั้งสติไว้ตามธรรมให้จิตมีสติตั้งอยู่อย่างนี้ ไม่เหมือนกับกรอบป้องกันที่จะทำให้จิตใจเรามีอยู่แต่ธรรมะที่จะคุ้มครองรักษาในปีที่จะมาถึงให้เรามีจิตที่ตั้งสติว่าอย่างนี้จะเป็นการดีแน่นอนสามารถทำได้อยู่ตลอดทั้งวันด้วยเจบอลค่ะน้อสการขอบพระคุณค่ะันฟังที่ครบค่ะได้ของดีนะคะที่จะเก็บเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปี2559กกันตั้งแต่ตอนต้นรายการเลย ทีนี้มาถึงอวยพรละคะท่านคะอ่าใช่ค่ะได้พูดถึงประเด็นที่ว่าในช่วงปีใหม่ก็จะมีคนอวยพรกันเยอะแยะใช่ไหมขอให้รวยขอให้การค้าดีๆขอให้สอบติดขอให้สุขสมหวังขอให้สวยขอให้มั่งคั่งเด็กเขาก็หมดได้ยางเนี่ยคุณโยมเตียวโอ้โหสุดแท้แต่จะอวยละคะคือเคยเลยเป็นลักษณะว่าเอออวยกันไป แต <c oughs> นะ่คุณอยากฟังเรื่องอะไรฉันจะพูยให้ฟังหรอกแตนะ่คุณอยากได้นี้ฉันจะอวยพรให้อันนี้ไม่ใช่เรียกกันอวยพรยเรียกว่าเอออวยนะคือแบบอะไรอะไรก็ขอให้เป็นอย่างขอให้เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้พูดถึงเหตุปัจจัยหแต่ น, นี้จะเป็นประเด็นที่อาณาจัก็จะมาพูดในที่นี้ว่า <c oughs> อวยพรเนะี่ยอยากให้มันเป็นเอออวยแตนะ่ว่าเขารู้ว่าคนนี้เขาชอบอันนี้เขากำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่เขาอาจจะมีเรื่องทุกข์ในนี้ก็ขอให้หายป่วยละกันถ้าคุณป่วยอยู่ใช่ปะ <c oughs> คือธุรกิจคุณไม่ดีขอให้ค้าขายดีๆแล้วกันถ้าถ้ามันค้าขายไม่ดีใช่ไม่มอันนี้มันคือพูดเอาใจเขาเฉยๆคือพูดเอออวยกันอันนี้ไม่ใช่เป็นการอวยพรจริงๆคําว่าอวยเนี่ยหมายถึงว่าแบบมันน้อมไปน้อมไปตามไหนไม่ใช่ว่าน้อมไปตามความอยากของเราถ้าคุณอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แล้วมีคนก็มาพูดอย่างที่เราใจอยากเลยนะสมัยก่อนตอนอเลมาเป็นคราวาสอ่ะเออ คือบางทีเราก็ยังมีความอยากมากอยู่นะค่ะเวลาไปดูหมอดูนะคุณยมติ๋วก็จะชอบไปดูหมอดูคนที่เขาพูดตรงใจเราหมอดูคนไหนพูดไม่ตรงใจเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปชอบไม่ไปดูหรอกคนนี้พูดไม่ดีใช่ไหมยาจจะไปดูคนอื่นคนนี้พูดไม่ดีก็ไปดูคนอื่นดูจนกระทั่งหมอดูคนที่เขาพูดตรงใจเราเออคนนี้พูดดีจบแต่เนี่ยที่ตรงนี้เชื่อคนนี้แหละเพราะว่าคนนี้เขาพูดแบบตามความอยากของเราอันนี้คือเอออวยไงค่ะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วในระบบ ของโลกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคําว่าอวยเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คำว่าตามเหตุตามปัจจัยหมาย่าไหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ เ, เอ่อมันเช่นว่าจะร่ํารวยขึ้นได้เช่นว่าคุณจะสวยขึ้นได้เช่นคุณจะมีฐานะดีขึ้นได้เช่นว่าคุณจะ ม, มีสุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันต้องมีเหตุของมันเกิดขึ้นมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้คนที่จะร่ําจนรง คนที่สุขภาพแย่ลงคนที่มีความมั่งคั่งลดลงเอ่อคนที่ตกต่ำลงเนี่ยก็ต้องมีเหตุปัจจัยของความที่มันเขาจะตกต่ำลงแต่มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเพระนัยคําว่าอวยพรเนี่ยอวยในที่เนี้ยบอกถึงความที่ว่าไอ้คุณต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันนะแล้วคาว่าพรเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ดีใช่ไหมคุณก็ณต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของความดีที่มันจะเกิดขึ้นแล้วทำให้มันเกิดขึ้นซะอันนี้ถึงจะ ความหมายที่มันจะถูกต้องคือไม่ใช่ว่าเอออวยกันตามความอยากไม่เอาอย่าเอาอย่างนั้นแต่ให้รู้จักเหตุปัจจัยเห่งความมั่งคั่งรู้จักเหตุปัจจัยเห่งความที่จะมีความสุขภาพดีเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยตรงนี้ให้มันถูกต้องถึงจ่เรียกว่าเป็นพรที่เราทำไดนะ้เช่นว่าสุขภาพดีใช่ไหมคุณก็ต้องอย่ารังแกสัตว์อย่าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปปรารถนาว่าสัตว์ตรงนี้ต้องตายตัวนี้ต้องชิบหายในเวลามายุงกัดเล่าหรือเห็นอะไรมันบินวิวีเนี่ยมมันจะมีความคิดว่ามันต้องตายอย่างเงี้ยนะค่ะคือยังไม่ทันตบเลยนะแค่คิดว่ามันต้องตายมันต้องออกไปจากที่นี่บ้านฉันเติมาอยู่ได้ไงทุกทีนี้มีไข้เลือดออกระบาดอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะคิดแบบเนี้ยมันจะทําให้อายุสั้นเนี่มันจะไม่ดีนะคือคือคิดแบบคิดฆ่าคิดทําร้ายคิดอาฆาตเนี่ยนะ คือถ้าทำมากๆนะคุณโยมติ๋วนะ<ช>ทำมากๆก็จะจะไปตกนรกนั่นนะแต่ถ้าทำมากแล้วคุณรอดจากนรกด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถเถอะอ้าก็จะทำให้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความอายุชั่นเป็นตน<ช>้นมีโรคไปก็เจ็บเป็นเบี้ยนเขาว่ากันไปเอาเราจะทำยังไงไม่เกิดเอาคุณก็มีจิตเมตตาเนีมีจิตปรารถนาดีกับสัตว์ทั้งหลายนะไม่ให้มีความเป็นสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลเกิดขึ้นในใจของเราอ่ะอันนี้ก็จะ<ช>เป็นเหตุเป็นปัจจัย ต่ไม่ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีมีสุขภาพดีแล้วอะไรอีกร่ำรวยมั่งคั่งใช่ไหมมีชื่อเสียงกิตยศพวกนี้โอ้พระบิดาเจ้าเทพไว้หมดอยู่ละ ว, ว่าคุณจะมีชื่อเสียงกิตยศคุณก็ต้องยกย่องเขายกย่องคนอื่นคนไหนคนใดไ ด, ได้เดินตำแหน่งแล้วเราอย่าไปอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนนี่จะทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ไม่มียศเสื่อมยศแต่เราก็มีความจิตมีมุทิตาจิต กับคนที่เขาได้ตําแหน่งได้อะไรไปแล้วก็เป็น เ, นเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามียศบรรดาศักดิ์ขึ้นมาได้เรารู้เหตุให้ถูกก็คือไอ้สิ่งที่มันจะอวยให้ความดีความงามเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราทราบตรงนี้ให้ดีแล้วเราก็ทําการกระทําในสิ่งนั้นนนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นประเด็นมันคือตรงนี้นะคุณยมติว่าต่อให้ใครทั่วโลกเลยนะเขาอวยพรคุณว่า อาขอให้รวยขอให้สุขภาพดีแต่ถ้าคุณยังแบบสร้างเหตุปัจจัยเช่นฆ่าสัตว์มากๆแล้วก็กินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพขี้เกียจขี้คล้านทําความชั่วความบาปี๋ยวยังมีการคบเพลนชั่วด้วยนะคุณอยา่าหวังว่าคุณจะรวยได้คุณจะหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีต่อให้ทุกคนในโลกเขาอวยพรว่าให้คุณเป็นอย่างนั้นคุณก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุที่มันจะมาอวยให้พรแบบนั้นเกิดขึ้นได้เราไม่ได้ทําำเราก็ต้องสร้างเหตุที่มันจะอวยให้ ความที่ดีอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้เราก็ทำเหตุตามนั้นดิฉันคิดถ้อยคำตามที่ท่านได้แนะนำนะคะว่าเราจะอวยพรอย่างไรสมมุตินะคะถ้าดิฉันจะอวยพรประมาณนี้จะพอได้ไหมโอเคว่าไป ขอให้มีความเพียรที่ไม่ท้อถอยออืสร้างเหตุแห่งความปรารถนาอืให้สําเร็จลุล่วงได้ทุกประการในปีใหม่นี้นะคะออืฟังข้อท่านนะฟังข้อท่านะฟังอีกครั้งเลยคะแล้วช่วยช่วยหายตรงที่มันไม่ควรอดีตฉันจะได้เขียนส่งไปให้เพื่อนเพราะว่าดีฉันสารภาพนะคะอแม้กระทั่งว่าก็รู้นะว่าถ้าจะอวยพรให้ถูกตามหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปขอให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเธอกําลังทําผิดอยู่นะ แต่สุดท้ายนี่ก็ลองเขียนในสิ่งที่เหมือนกับว่ า, าตามคำพระพุทธเจ้าสอนนะ น, นะคะปรากฏว่าเหมือนกับสมมติว่าเราอยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยสังคมนั้นก็จะตึงๆเฉยๆมึนๆไปนะคะ <laughs> แต่ว่าถ้าขอให้นั่นขอให้นี่แล้วแหมปฏิกิริยาตอบกลับนี่กระชุ่มกระชวยมากออือมค่ะทีนี้ดเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ๆดดีขอให้มีความเพียร ที่ไม่ท้อถอยสร้างเหตุแห่งความปรารถนาให้สำเร็จลุล่วงได้ทุกประการในปีใหม่นี้นะคะฟังข้อท่านะอะไรมาว่ามีอะไรต้องตัดไหมคะับท่านอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นยาวใช่ไหมถึงเวอร์ชันสั้นๆเราจะเฉพาะจออจงลงไปเช่นว่าอขอให้มีศีลอย่างเงี้ยอให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลเราพูดสั้นๆก็ได้แต่ถ้าผู้นั้นก็อาจจะยังไม่มีศีลดีใช่ไหม ขอให้เอาเฉพาะจะจงไปเป็นข้อเลยหรว่าเออขอให้คุณมีเมตตากับสรรพสัตว์ต้งปวงอย่างเงี้ย<ม>ก็ได้หรือว่าข อ, ขอให้จิตเป็นปีรวมเปอันเดียวเป็นหนึ่งเป็นสมาธิอย่างเงี้ยมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆให้ฝ่าฟันไปได้ค่ะคือดิฉันเข้าใจว่าในในประการที่ท่านได้กล่าวช่วงหลังๆเนี่ยขอให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลขอให้มีเมตตากับสรรพสิ่งท่านปวงหรือว่าขอให้มีสมาธิ นะคะที่จะตั้งสติได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดกับคนที่เขารู้ธรรมะแล้วก็มีศรัทธานะคะเรื่องที่เขาชอบชแต่ถ้าไปพูดกับคนบางคนเนี่ยเรียเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบยิ่งถ้าคนไปน้ำเต็มแก้วนะคะเขาอาจจะมองว่าเรายกตนอ่อวดตัวไปสั่งสอนเขาแต่อย่างไรก็ตามเรฉันเองก็จะถามท่านอีกนะคะว่ามีการเขียนคำอวยพรในลักษณะนี้ อ่าขอให้อ่าพระพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาอย่างเงี้ยได้ไหมคะพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาสวัสดีปีใหม่ค่ะอ๋อประมาณนี้อืมธรรมรักษาเนี่ยคือคือดิฉันเข้าใจว่ามันลาบากนะคะในการที่จะเขียนให้คนที่ <laughs> ที่เหมือนกับไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปสั่งสอนเขาถ้าเป็นเด็กไม่เป็นไรใช่ไหมคะมมเด็กก็รักแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เหนือเราเพราะว่า เราถูกสอนมาว่าการจะอวยพรบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เราจะต้องขึ้นต้นด้วยการขอพอรจากสิ่งที่สูงกว่าเราเช่นขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรทีนี้ถ้าจะอวยพรในวงกว้างเอาตายแล้วถ้าเกิดเขานับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็เลยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนกับแบบฟอร์มเป็นรูปแบบ เป็นแพทเทิร์นที่ใช้สื่อทอดกันต่อมาแล้วก็ทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นน่ะเธอเป็นผู้น้อยเธอจะมากล่าวกับฉันอย่างนั้นให้อยู่ในสีนะมาดูถูกฉันหรือไงเนี่ยอืว่าฉันเป็นคนไม่ตั้งอยู่ในสีอันนี้มันก็มีโอกาสเป็นอยู่เหมือนกันเมื่อที่คนทำวอวยพรก็ลําบากนะคะท่านคะก็ต้องก็ต้องลองคิดดูแต่ว่าจึงต้องหาคำกลางกลางใช่ใช่มีประเด็นที่คุณยมติวพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าด้วย อำนาจขุณพระศรีรัตนตรัยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะจริงๆว่าอย่างพระพุทธประบัตสงค์เนี่ยก็ทั้นก็จะไม่ใช่เลือกเฉพาะรักษาคนพุทธเท่านั้นนะไม่ใช่นะคือก็รักษาสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ให้แผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะรักษาคนพุทธเท่านั้นแต่ทุกๆคนอย่างโลกอยู่แล้วอทีนี้ถ้าคนที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจไม่เก็ตใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของพระพุทธประบัตระสงค์เนี่ยถ้าเขายังไม่เข้าใจเราูไม่เขาจะ เก็ตได้เข้าใจได้หลักการก็คือตรงนี้ว่า เ, าเราจะพูดยังไงที่ไม่ให้เป็นเรื่องของการอ้อนวอนเน่นเพราะว่าการอ้อนวอนเนี่ยถ้าทุกคนอ้อนวอนแล้วทุกคนจะสําเร็จเนี่ยจะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรอันนี้มันบทโดบทอยู่แล้วนะแต่ถ้าทุกคนสามารถสําเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนเนี่ยจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรหลักการก็คือว่าเราจะเขียนในลักษณะไหนที่จะไม่เป็นการอ้อนวอนอันนี้ก็ที่หนึ่งหลักการที่2ก็คือว่าเราต้องใส่เรื่องของเหตุปัจจัย ให้มันถูกต้องลงไปแต่แทนที่คุณจะ อ, อวยแล้วก็แบบเอาผลเช่นรวยสวยสุขภาพดีเอาผลตรงนั้นแต่เราต้องพูดถึงเหตุในะเหตเุเหตุ ด, ด้วยนะหรือเราพูดถึงเหตุนิดนึงแล้วก็พูดถึงผลตัวอย่างหลายอย่างที่คุณโยมถึงพูดมาในสกุลนี้ก็ดีอยู่แต่เราก็ปรับคำให้มันเหมาะสมกับผู้ที่เราจะเอาไปใช้ อันนี้ก็จะฟังดูดีได้นะท่านคะอีกประการหนึ่งนะคะสมมุติว่าดิฉันเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับเวลาที่เราไปอยู่ในพิธีบุญต่างๆเริ่มต้นตั้งนโมเ็จหรือว่าจะต้องอาราธนาศีลมีการให้ศีลรับศีลแล้วก็ในศีลนั้นก็จะได้ยินว่าเมื่อรับแล้วศีเลนะสุขติศีนนาสุขติมาให้ถูกคะใช่ศีล ไ, ไปเพื่อความสุข อ่าศีเลนะโพคะสัมปทาอศีนเป็นไ ป, ไปเพื่อภพกษัตริย์ศีเลนะนิพุติงยันตินิพุติงยันติแปลว่า<ส><ส>อะไรศีนเป็นไปเพื่อนิพพ า, านตัศมาแปลว่าอะไรคะตัศมาสีลังวิโสทะเยก็คือว่านี่คือเป็นผลของศีนที่จะเกิดขึ้นได้อเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราจะเขียนอวยพรนะคะเราก็ขึ้นต้นอย่างนี้เลยศีนําสุขมา ส, ส, สุขสุขคตินี่แปลว่าสุขกัตริย์ทันั้น เออใช่นำมาสร่งความสุขเป็นไปเพื่อความสุขอ่าศีล น, นำมาสร่งความสุขศีลไม่ไเพื่อควาทรัพย์ศีลนำมา ส, สาร่สางเพื่อคทรัพย์ศีลไม่เพื่อนิพพานศีล น, นำมาสร่งนิพพานสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ก็ดีนะ <c oughs> นมาว่าก็ดีนะ <c oughs> ซึ่งเอดิฉันก็เนี่ยค่ะคิดอยู่หลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะอ่าทําให้สมกับที่เราเป็นคนทำรายการธรรมะน่ะอืม ข้อที่หนึ่งหลักการไม่อ้อนวอนถูกไหมคะใช่พุทธศาสนาไม่อ้อนวอนแต่ต้องสร้างเหตุผลจึงจะเกิดถูกต้องประการ<น>ที่สองก็คือใส่เหตุปัจจัยเข้าไปด้วยใช่ประการที่สามมีไหมคะก็ต้องให้ปรับให้เหมาะสมปรับให้เหมาะสมเหมาะสมกับคําิที่เราจะไปใช้ค่ะอาจจะไม่ต้องยาวก็ได้เอาสั้นๆเช่นว่ า, าไม่มีอย่างพุพทธพจน์อย่างเงี้ยเอาพุพทธพจน์อะไรก็ได้นี่ข้อที่สามแต่บางทีเราก็ยกพุพทธพจน์ขึ้นมาเลยเช่นว่าไม่มีใครที่จะ ทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะกุ้มครองได้เลยอย่างเงี้ยพูดไป ก, กลางๆอย่างนี้แล้วก็ลงชื่อไปอืมดิฉันจะขอท่านเลยว่าถ้าสั้นๆที่เป็นพุทธพจน์ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้เนี่ยรบกวนท่านได้เมตตาบอกเท่าที่พอจะบอกได้หน่อยไหมคะชะ้าๆเผื่อว่าดีฉันช็อตโน้ตท่านผู้ฟังก็จะจดเอาไว้เดี๋ยวจะไปหาทางปรับจากตรงเนี้ยอ่าได้ที่จะมาจำได้สุดที่หนึค่ะสุดที่หนึ่งก็คือว่าเอไม่มีใคร จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลย <Okay. S 1> อันนี้ที่มาก็คืออยู่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกเรื่องราวที่เท้าส ก, กัดเทวราชนะได้กล่าวคาถาเนี่ยไว้แล้วก็รับรองคําของพระอินทตรงนี้ว่าการคำกล่าวตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ที่ว่าไม่มี <Okay. S 1> ใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลย พระพุทธเจ้าตัดกับเท้าสักกะหรือพระอินตัดกับเท้าสักกะครับค่ะไม่ใช่อันนี้พระอิ น, อนตัสกับลูกน้องของท่านเอง oh. ที่ชื่อว่ามาตาลีเทพบุตรเป็นคนกับรถ <Okay. S 2> นะว่าพูดถึงว่าเทพกับอสูรนี่เขาตีกันแล้วก็ถ้าเราจะมาตั้งอยู่ในธรรมนี่มันจะสู้เขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยพระอินก็สรุปจบด้วยคาถานี้บอกว่าเราตั้งอยู่ในธรรมมาถูกแล้วทูตจานองเนี่ยนะ <Okay. S 2> แล้วก็มีช่วงหนึ่งในคาถาที่พระอินกล่าวเนี่ยบอกว่า ไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะกุ้มกรองได้เลยพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ที่พระอินทร์คุยกับคนเกี่ยวับเรื่องของตัวเองเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายฟัง<อ>แล้วก็รับรองว่าคํำนี้ถูกต้องพระอินทร์เป็นผู้ที่มีขันติและโสดาจจะคือความอดทนและความสงบสงี่ยมในเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเฟสสั้นๆตรงนี้ไปใส่เป็นคําบวยพรก็ได้<อ>เป็นลักษณะว่าให้เขาตั้งอยู่ในธรรมนะอุปสรรคอะไรต่างๆที่คุณเจอมานะมันก็จะไม่มีใครทําอันตรายได้หรอกอย่างเงี้ นี่เป็นบุทรพน์เลยนะอค่ะหรือก็ที่สองอันนี้ที่ตรัสไว้กับโพธิราชกุมารนะบุตรเจ้าตรัสไว้ยังงี้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากอันนี้เป็นบุทรพจน์นะขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยาก่ อันนี้เราขึ้นพุทธพจน์ขึ้นมาจะจ่าหัวเนี่ยบางทีเราจะเขียนเล็กๆน้อยๆไปอธิบายไปว่าขอให้ปัญหาใดๆที่พี่เจอนั้นรู้ล่วงผ่านไปด้วยดีเป็นกําลังใจให้ลงชื่อเราไปอย่างนี้นี่เป็ น, ปนปพุทธพจน์จ่าหัวขึ้นมาก่อนอย่างเนี้นะคะขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี ค, ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยาก เจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็อดทนอา้าวเขียนอธิบายไป น, นิดนึงอย่างน้อยยังมีพุทธพจน์อยู่ใช่ไหมค่ะอือันนี้พรผูช้ชมก็อธิบายนะว่าตัวพระองค์เนี่ยกว่าจะมาเจอนิพพานเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยผ่านตรงนั้นผ่านตรงนี้อธิบายการทําตุกระกิริยาเจออุปสรรคต่างๆหน้าๆผ่านมาได้เนี่ยจนบรรลุนิพพานได้โอ้โหเป็นประวัธิยานยาวมากเรื่องเพื่อที่จะอธิบายคําเนี้ยที่โพธิราชจุ ม, มาลเขาถามตรงนี้ค่ะ ก็เอาโรตรงนี้ก็ได้นี่ข้อที่สองหรือว่าอีกข้อ1จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้อันนี้จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้นี้เป็นคาถาที่อยู่ในธรรมบทอันนี้ก็เป็นพุทธพจนิยเหมือนกันจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้ก็จะมีเรื่องราวที่ใช้คาถานี้ประกอบอยู่หลายอย่างเรื่องราวของพิกสุที่เปลี่ยนจิตจากจิตที่มันไม่ดีเป็นจิตที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จ เรื่องของกรดัดบัณที่เปลี่ยนความคิดไม่ดีเป็นดีขึ้นมาก็ประสบความสาเร็จ ใ, ในเรื่องธรรมบทก็จะมีอยู่หลายเรื่องอยู่ในนี้ค่ะหรือร อ, อีกอันหนึ่งก็ได้ขอด้อที่ส่น ะ, ะขอ้อที่สคือคุณธรรมเรื่องของศีลกับเรื่องของเมตตาเรื่องของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้หลายอย่างอย่างที่คุณยมติวพูดมาเมื่อสักครู่นเนี่ยว่าศีล น, นำมาสร่งความสุขแล้วก็พูดไปอย่างนี้ก็ได้ ขอให้ท่านมีกําลังใจในการที่จะรักษาศีลให้ดีแต่ว่าขอให้มีกําลังใจในการที่จะรักษาศีลให้ดีเนี่ยคําว่าตรงนี้คือศรัทธานั่นเองคุณจะรักษาศีลได้คุณก็มีศรัทธานั่นเองคาว่ากําลังใจในการรักษาศีลนั่คือหมายถึงศรัทธาเพราะฉะนั้นอศีลเนี่ยบุคคลที่มีศีลเนี่ยเข้าสู่บริษัทใดก็ไม่ครั่นครามอันนี้ก็เป็นพุทธพจนอันหนึ่งนะอันนี้ส่งของผู้ที่รักษาศีลก็คือเข้าสู่บริษัทใดก็ไม่ครันครามค ศีลไม่ไปเพื่อโพกศัพอันนี้ก็ใช้ได้ที่คุณยมติวพูดมาสักครู่ค่ะอันี่ก็เป็นพุทธพจน์อยู่เหมือนกันศีลไม่ไปเพื่อโพกซับอืมค่ะที่เป็นต้นนะข้าๆค่ะนะคะเพื่อนฝนก็ลองคิดดูดิฉันก็ว่าพอได้เหมือนกันนะคะคือไม่ใช่พอได้หรอกค่ะดีเลยที่บอกว่าพุคําอวยพรในบรรดาคําอวยพรถ้าเอามาประมวลนะคะยังเข้าใจว่าการอวยพรให้รวยเนี่ยจะนําคําอวยพรอื่นๆ ดูเหมือนกับว่าในโลกทุนนิยมอืมที่เรื่องของเงินทองเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะใช่ทุกคนก็คิดถึงว่าชีวิตนี้อใครจะว่าไงก็ช่างขอรวยสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีความสําเร็จในรูปแบบใดรูปแบบห น, นึง่งค่ะเพราะฉะนั้นก็ศีล น, นำพ่อข้าทรมาให้เป็นไปเพื่อโพ่ทขัพย์ใช่ศีลเป็นไปเพื่อ พ, พ่อพ่ทข้าทรขอให้ร่ำํำรวยนะคะอย่างนี้ได้ไ้มคะ ขอให้รักษาศีนไงขอให้มีศีนไงอขอให้รักษาศีนขอเพื่านี้ก็ได้ขอให้ร่ํารวยด้วยการที่รักษาศีนเนี่อนะคะท่านลองไปคิดดูก็แล้วกันดิฉันไม่ผูกขาดความคิดของท่านผู้ฟังดีกเอาเป็นว่าให้หลักการหลักการคือไม่อ้อนวอนให้ท่านละ่ะไม่อ้อนวอนไม่เอออวยกันแต่คาว่าอวยพรเนี่ยหมายถึงให้รู้จักเหตุที่มันจะอวยให้พอนี้เกิดขึ้นได้ก็คือข้อที่สองก็คือว่า ให้พูดถึงเหตุปัจจัยที่ถูกต้องท่านคะดี่ฉันอยากกลับเรียนถามว่าจากการที่ท่านได้ศึกษาคำสอนของพระศาสดานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ส่งอวยพรใครบ้างคะบ้างไหมคะและ้วการอวยพร อ, อย่างไร ค, คำว่าอย่างคำที่มระจ้ใช้สับสนกันคือคว่าให้พร อ, อย่างงี้น ะ, ะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนมาขอพรมาพระพุทธเจ้าขอพรเนี่ยคือหมายถึงไงรู้ไหม คืไม่ใช่ว่าขอให้ยขอให้สวยขอให้แก้ปัญหาไม่ใช่นะคือเขามาขอว่า<ะ>ขอให้พระรูชาเนี่ยอนุญาตการบวชบ้างอนุญาตการที่จะถวายทานนี้บ้างอนุญาตเพื่อที่จะให้พิกษุนเนี่ยรับวิหารบ้างขอพรข้อนี้พระพรูชาก็แกรนต์ให้เลยให้พรเตอร๋อซะว่าอนุญาตให้นี่คือลักษณะการให้พร น, นะเช่นมีคนมาขออนุญาตว่าเออขอขอใช้น้ําด้านหน้านบ้านหน่อยลด น, น้ําต้นไม้ คุณโยมติว่าเออให้ได้ได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือเขามาขอพรคุณโยมติคุณโยมติก็ให้พรเขาอมอันนี้ถ้าเป็นความหมายในพุทธการใชแต่สําหรับถ้ามาขอพระพุทธองค์มักจะเป็นการขอเพื่อที่จะทํากุศลใช่ไหมท่ถูกต้องถูกต้องแค่นั้นเลยทํากุศลหรือว่าขอนิมนพระพุทธเจ้าไปชั้นที่บ้านน้อยขอพรนี้อ่าพระพุทธเจ้าก็ยินดีด้วยดุสเดียภาพคือคือให้พรนี้ดังนั้นในความหมาย จะกล่าวได้ไหมคะว่าหมายความว่าได้ขอในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นมงคลของเขาน่ะอใช่คือการที่พระพุทธองค์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมการที่พระพุทธองค์อนุญาตให้บวชการที่อนุญาตให้สร้างวิหารอนุญาตให้ถวายพระตาหานี้ต้องขอไหมคะต้องต้องขอขอขออย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการเขาเรียกว่าประวารณาที่เขานิยมกันในสมัยนี้ไหมคะคือถ้าจะรวบตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือขอสร้างสิ่งที่เป็นกุศลไง ขอทําสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นแอคชั่นเป็นการกระทําเป็นกรรมที่คุณทําได้แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณได้รับนะแต่เป็นสิ่งที่การกระทําที่คุณจะทําได้ขออนุญาตทำส่วนใหญ่ผิดหมดเลยนะคะพอไปถึงเราก็หลวงพ่อขาหนูมาตั้งไกลเลยขอพรหน่อยนะคะเออเออเองั้นก็ก็จะเออก็เลยบอกว่าเอาใบเอาใบพระป่าให้ออเะก็มองพระผิดแบบอีกว่าเอาทําไมมาเรียะไล่วะก็อุาสรรคให้ว่าให้คุณเนี่ยทำทานจ้าถวายทานจ้าอย่างเงี้ย เป็นพรอย่างนี้ใช่ไหมก็มองพระแบบปีกแบบนึงปีกค่ะแต่ที่ฉันว่าเราสนทนากันตรงนี้อาจจะมีมุมให้ให้เราขำๆมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นคือขอโอกาสในการที่จะได้ทำดีใช่แล้วมันเป็นการกระทาของเราที่เราทาได้ค่ะแล้วก็มีสักขีพยานซะด้วยเป็นนักบวชถูกต้องหรือหรือคุณจะไปสอบถามธรรมะ หรือมาที่เนี่เพื่อที่จะมากําลังใจในการที่จะรักษาศีลให้ได้คะะ่ะนี่คือพรที่คุณจะได้รับแล้วน ะ, นะคะ่ะสมมุติจะขับรถทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งรถรายเยอะไปหมดเลยแล้วเขาก็ยังมีการเตือนกันนะคะว่าให้ขับรถระมัดระวังอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นมีการนับศพกันด้วยนะคะเมือ <จบ S 2> ม่อจบช่วงเทศกาลเนี่ย <laughs> เราจะไปขอพรเอ่อไปขอพรพระให้เราอ่ามีสติอย่างนี้ได้ไหมคะ เดินทางปลอดภัยถูกต้องนีคือถ้าเรามีสติะก็จะให้มีการเดินทางปลอดภัยเกิดขึ้นคนที่มาว่าอะไรมาก็จะพูดลักษณะนี้แหละให้ตั้งสติไว้ให้ดีนะเพื่อการเดินทางของเราจะได้มีความปลอดภัยข้อสา้นทุอย่างี้ขออนุญาตสรุปเลยได้ไหมคะว่าถ้าเช่นนั้นคําว่าพรในความหมายของพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งเราต้องทําเองนี่คือในสมัยพุทธกาลนะ ค่ะใช่ใช่ถูกต้องสมัยนี้ดิฉันก็ว่าไม่เห็นจะแตกต่างกันสิคะคเพราะว่าถ้าหลักการเดียวกันนไงคะคืองี้มันจะเป็นเรื่องของเหตุและผลไงค่ะอย่า ง, รางาเรื่องของที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือเหตุเหตุมันเป็นว่าคุณการกระทําที่คุณทําได้เดี๋ยวนี้ว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องของผลเช่นว่ามีคนเขาถวายทานละขอพอรพระพุทธเจ้านะขอให้ถวายทานนั้นนี้พระพุทธเจ้าให้พรใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวจะไปฉันที่บ้าน พอไปฉันที่บ้านเสร็จปุ๊บเขาขอรอบที่สองก็บอกว่าขอให้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วเขาขอตรงนี้นะเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ได้ถูกว่าเขาไม่ได้ทําได้ด้วยตัวเองอะถ้าพระพุทธเจ้าเล็งยาแล้วว่าเ อ, อ้พวกนี้คนนี้จะได้พรอุ่นคนนี้สาเร็จตรงนี้ได้นะก็จะพยายกรณ์ว่าออขอให้เป็นอย่างนั้นสาธุคําว่าสาธุเนี่ยคือดีแล้วเอวังโหตุเนี่ยนะที่ที่เราจะได้เคยได้ยินเอวังโหตุเนี่ยขอจงเป็นอย่างนั้นอย่าง เอวังโหตูเนี่ยคือขอให้เป็นอย่างนั้นขอจงเป็นอย่างนั้นขอสําเร็จขอให้สําเร็จตามนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้แล้วเพราะว่าเล็งญาณแล้วว่าจะสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอ๋ออืมเอ่อหรื อ, อบางคนเอ่อพอทําทานแล้วก็ขอขอให้เป็นผู้ที่เอ่อจะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแอย่างพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราในชาตินี้เนี่ยเอ่อเรื่องราวที่เราเคยได้ยินมานะที่เกิดเป็นสุมเมตตาดาบดุบา้า ทำ <Okay. S 1> ทานอะไรต่าง ๆ, ๆแล้วก็ทําตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าที่ปังกรนนในการเดินข้ามไปเนี่ยก็ตั้งขออธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าที่ปังกรเลียงยงญาแล้วก็ว่าเออก็ขอให้เป็นอย่างนั้นท่านคะ่ะผู้สั้นๆอย่างนี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ปริบิณิพานเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่เราก็อยู่กับธรรมะของท่านซึ่งเสมือนกับเป็น การได้พบพระพุทธเจ้ามเมื่อได้พบธรรมะดังที่ได้ตรัสไว้ใช่ไหมคะทำก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นศาสด า, ศ า, ศาแก่พวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอืทีนี้ถ้าสมมติดิฉันไปวัดใช่ไหมคะดิฉันไปวัดท่านเพรือนี่แหละดิฉันเจอท่านเพรือเสร็จหลังจากที่ขอพรเพื่อที่จะอนิมนต์ไปบ้านใช่ไหมคะออืหรือว่านิมนต์ให้แสดงธรรมที่วัดกะดะ็ได้อืมพอท่านแสดงธรรมเสร็จ ดีฉันก็ขอพอรในทางผลเลยอืมฉันขอให้มีโอกาสได้อบรรลุปฐมฌานสมมติอย่างเงี้ยดี๋ฉันมไม่รู้เรื่องดี๋ยฉันกราบท่านเลยท่านพิบูลค่ะดี๋ฉันขอพอรให้ได้ปฐมฌาอนอาราจะตอบอย่างนี้ค่ะโอเคอามาก็จะตอบว่าคือถ้าอารมามีความรู้ใช่ไหมว่าโอ้คุณคุณโยมติ๋วเนี่ยจะได้ปฐมฌานแน่นอนอามาก็จะบอกเลยว่าโอ้ขอจงเป็นอย่างนั้นก็คือเอวังเขาตู อย่างที่ <Okay. S 1> พระพจ้าว่าใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาไม่ทราบถ้าสมมติอาตมาไม่ทราบอาตมา <Okay. S 1> ก็จะบอกเป็นกลางๆว่าเอาบุคคลผู้มีสติตั้งไว้อย่างดีแล้วเนี่ยจะสามารถทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้แน่นอนนี่ถือว่าเป็นพรแล้วใช่ไหมตรงต้องนี่คือเป็นการตอบกลับสิ่งที่คุณโยมติขอมาบอกขอให้ฉันได้ mm hmm. ปรมพมชานะอาตมาก็จะยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ที่มีสัมมาสติจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้แน่นอน mm hmm. ก็จะยืนยันไปอย่างนี้ตามที่เธอขอมา ก็จะพูด <Okay. S 1> ถึงเหตุเองมันก็จะกลับไปคอนเซปต์เดิมอะเราจะพูดถึงเหตุนะหรือว่าถ้าคุณต้องการจขอให้ฉันเป็นผู้ที่รักษาศีลได้ไม่ผิดพลาดมีความตั้งมั่นเต็มที่อันามะก็จะกล่ว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะรักษาศีลได้แน่นอนศรัทธ oh. าในคําสอนของพระพุทธเจ้าอนามะก็จะกลับมาที่เหตุตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราได้ยินพระให้พอในเงี้ยที่บอกให้พอ น, นี่คือภาษาไทยใช้นะ <Okay. S 1> สวดยะทาวารีวาหาหรือว่าอายุวัฏโกหรืออายุวันโนสุขังพลังพวกเนี้ย น, นี่คือเป็นภาษาบาลีที่แปลภาษาไทยบอกว่าเอ้ยถ้าคุณทําการให้ทานนะทําบุญตรงนี้นะก็จะเป็นไปเพื่ออายุนะวันนะนะสุขขนนะพระนะก็พูดถึงเหตุถึงผลอนะ่ะอืมค่ ะ, ะเป็นอย่างนั้นคือว่าด้วยเหตุมาก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีใหม่นี้คุณโยมติวในปีใหม่นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังฟังตอนนี้วันไหนเนี่ยให้เราสร้างเหตุแห่งความดีความงามในชีวิตของเรานให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสุขในชีวิตของเราออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในหน้าที่การงานบ้างในเรื่องครอบครัวบ้างในเรื่องการปฏิบัติธรรมบ้างจะนําความสุขความสำเร็จตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้โดยการที่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีอาจมาขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยที่ฟังรายการธรรมะให้มีกําลังใจในการที่จะตั้งมั่นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแน่นอนว่าทุกคนมันจะมีเครื่องสอบของตัวเอง สิ่งใดบางทีทําให้เราเกิดขัดใจบ้างเราก็อดทนเอาสิ่งใดบางทีทําให้เราขัดเคืองบ้างเราก็ให้มีเมตตากันไปเราอยู่โลกนี้ไม่นานนะปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยให้เรามีกําลังใจให้เราอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากให้เราทําในสิ่งที่ทําได้ยากอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะเพิ่มบารมีเสริมสร้างบารมีให้เราจิตใจทางด้านธรรมะของเราสูงส่งขึ้นบุคคลที่มีธรรมะเนี่ยจะไม่มีใครทําอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยในทุกท่านมีตั้งอยู่ในคําสอน มีกําลังใจมีสติจะไม่เรามีความสุขสมวังในชีวิตได้แน่นอนเจริญบอนสาธุค่ะกล่าวต้อนรับการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเจิญบอลดิฉันเชื่อว่าทั้งดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการในวันนี้ได้รับพรเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะอวยชัยให้พรที่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสเป็นจริงได้เป็นพรแท้ๆให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในปีใหม่ที่มาถึงนี้และในวันต่อๆไปด้วยก็เป็นการดีนะคะ<ม>ที่ฉันเองก็คงจะไม่โวยพรซ้าเพราะว่าเรามีพระสงฆ์ซึ่งโวยพรให้กับพวกเราแล้วเป็นอย่างดีดิฉันจะกลับมาพบกับท่านฟังอีกพร้อมๆกับพระมหาเพริบุ์อภิปุโ น, โนเนี่ยนะคะในวันรหัสสบดีกับวันศุกร์<ม>ส่วนท่านเพริบุญนั้น ท่านได้ให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายอยู่เป็นประจำนับตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วจนถึงวันศุกร์นี่ละค่ะติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 สถานีที่ได้เห็นความสำคัญของคำสอนของพระศาสดาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรากันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้พุทวาสวัสดีค่ะ